การนั่งสมาธิภาวนาให้พาการนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินั้นเป็นเวลาพระพุทธเจ้านั่งที่ต้นไม้โพในวันวิสาขบูชาพระองค์นั่งขัดสมาธิภาวนาอนาปารลมหายใจเข้าออก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 หลับตาแล้วก็นึกภาวนาว่าบทต้นๆ้นแยก ว, ว่าพุทธโธธรรมโมสังโฆนึกในใจพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆสามหนแล้วก็เอาพุทธโธคาเดียวไม่ต้องออกปากนึกในใจและให้นึกพร้อมกับลมหายใจเข้าและออก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 จิตผู้โลภภาวนาพุทโธอยู่นั่นแหละมีความรู้สึกอยู่ในจิตในใจให้รวมจิตใจลงไปสู่ดวงใจของเราที่นึกพุทโธพร้อมกับลมเข้าลมออกส่วนจิตนั้นก็ให้ระวังไม่ให้ปล่อยออกไปภายนอกให้รวมเข้ามาภายใน สิ่งใดที่เป็นอดีตล่วงแล้วก็มันแล้วไปแล้วไม่ต้องเอามาคิดนึกลอยวางเสียส่วนใดที่เป็นอนาคตการข้างหน้าพุ่งนี้ประนนี้หรือจะทำอะไรต่อไปก็ยกไว้ก่อนไม่ต้องไปคิดถึงให้ตั้งใจลงไปในเวลาปัจจุบัน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 ภาษาบาลีว่าพุทธพุทโธภาษาไทยเราเรียกว่าพระพุทธเจ้านึกก็ให้รวมใจลงอยู่ในใจของเรามันจะมีอารมณ์ในใจอย่างไดก่อนปล่อยวางออกไปอารมณ์แห่งความดีใจอารมณ์แห่งความเสียใจครับแค้นแน่นใจไม่ให้มี ร่างกายก็ให้อยู่ในท่านั่งปลอดปล่งสบายกายวาจาก็ต้องไม่โผดใจก็ไม่คิดไปที่อื่นเมื่อนึกนอนในใจได้ยินเสียงพุทธะพุทธะพุทโธ ท, ที่ไหนก็รวมจิตรวมใจอยู่ที่นั้น เจ็ต ใ, ใจคนเรานั้นไม่ต้องไปหาเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นสีสันวันณนะแสงสว่างอย่างโน้นอย่างนี้ไม่มีเจ็ต ใ, ใ, ใจคนเราจริงๆเป็นธาตุนามธรรมคาว่านามธรรมไม่มีชื่อไม่มีตัวไม่มีเหมือนร่างกายมีดวงจิตผู้รู้นั้นเหมือนกับลมเหมือนกับอากาศแต่มันมีความรู้อยู่ มีความรู้สึกนึกคิดอะไรได้ในดวงจิตดวงเดียวนั่นแหละมันมีเวทนาสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกายจิตนั้นมันรับรู้ดวงจิตนั้นมันจิงไม่มีตัวไม่มีตนแต่เมื่อมาอยู่ในรูปปักษันร่างกายของคนก็เป็นเรื่องคนไป เวลายืนเดินนั่งนอนไปมาพูดจาปราศัยก็จิตนั่นแหละมันมันสั่งการให้ร่างกายทำไปตามจิตใจมันชอบแต่จะไปจับเอาให้เป็นตัวเป็นตนเป็นก้อนเป็นหน่วยไม่ได้จึงมีวิธีการบริกรรมภาวนาอุบายใดอุบายหนึ่ง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 มีความรู้สึกอยู่ในใจตลอดเวลาใจนั้นจึงเป็นดวงจิตดวงวิญญาณอันไม่ไปที่ไหนที่เราว่าจิตไปโน้นไปนี่น่มันเป็นเพียงสัญญาอารมณ์ความหมายเอาเท่านั้นความจริงตั้งแต่มาปฏิสนธิวิญญาณมาเกิดมานอนอยู่ในท้องแม่คนละสิบเดือน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 แม่พ่อแม่ญาติทั้งหลายตั้งชื่อว่ากอว่าขอจด จ, จําเอาว่าชื่อนั่นเป็นชื่อของเราถ้าใครมาดุดาว่าไายให้กับชื่อกับกดนั้นแลจิตมันหลงยึดหลงถือเอาเวลาภาวนาท่านไม่ให้ไปยึดหน้าถือตายึด ต, ตัวยึด ต, ตนถ้าไปยึดโยจิตมันรวมไม่ได้ สงบลงไปไม่ได้วุ่นวายเวลาภาวนานึกน้อมอะไรก็เอาให้มันแน่วอยู่ในจิตใจนั่นแหละเจ็ตใจจริงๆมันมีอยู่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมแล้วก็จิตใจดวงผู้รู้อยู่นี่แหละ นั่งก็รู้ว่าเรานั่งยืนก็รู้ว่าเรายืนเดินก็รู้ว่าเราเดินดีใจก็รู้ว่าเราดีใจเสียอกเสียใจร้องไห้น้ำตาไหลก็รู้สึกว่าเราร้องไห้น้ำตาไหลผู้ ท, ที่รู้จักนั่นแหละท่านเรียกว่าจิตใจ จงรวมจิตใจดวงนี้ให้มาสงบตั้งมั่นอยู่ในใจของตัวเองทุกลมหายใจเข้าออกเอาจนจิตใจนี้สงบระ ง, งับเยือกเย็นสบายได้ทุกๆุกคืนก่อนที่เราจะหลับจะนอนรวมจิตรวมใจอันนี้ได้ตั้งมั่นได้ดีเท่าไหร่จิตอันนี้ละมันจะมีสติ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 ตัวเองสั่งสอนตัวเองอยู่ตลอดเวลาจิตมันกสงบระ ง, งับเย็นสบายเคยโกรธก็ไม่โกรธเคยโลภอยากได้นนใดได้เ่เกินประมาณก็ไม่โลภและไม่หลงไปตามโลกเสียงกลิ่นรสโทดพระธรรมลมในโลกด้วยเมื่อจิตดวงนี้ไม่ลุ่มหลงมัวเมาไปที่อื่น จิตมันก็สว่างสวัยอยู่ในกายในวาจาในจิตในใจตัวเองตาดูหูฟังอะไรก็มีสติทางนั้นเมื่อมีสติความระลึกได้ไม่หลงไหลสมาธิก็ตั้งมันเมื่อสมาธิตั้งมันได้มากเท่าไหร่ ญาณอันวิเศษที่จะละกิเลสในใจให้หมดไปสิ้นไปก็เกิดขึ้นจากศีลสมาธิปัญญาวิชาความรู้แจ้งเห็นจริงมันก็อยู่ที่จิตใจนั่นแหละแต่ต้องทำต้องประกอบทุกเวลาแต่พูดจาปราศัยก็ให้เมสติ จะนั่งก็ให้มีสตินั่งแล้วจะลุกขึ้นก็ให้มีสติคนไม่มีสติขาดสตินั้นเรียกว่าไม่ได้เรื่องคนบางคนนั่นเวลาไปนั่งที่ไหนแล้วก็ไม่ดูบนศีรษะของตนว่าเรานั่งในที่มีไม่มีอะไรอยู่บนศีรษะเวลาจะลุกไปก็ลุก ขึ้นไปเลยไม่ดูก็เอาศรีรษะตัวเองโดนกับไม้เขาเลือดแต่ไหลออกก็มีนั่นคือว่าขาดสติคนขาดสติเดินไปก็ไปเหยียบขวากเหยียบหนามเหยียบทานไฟเขาทิ้งไว้ก็มีนั่นคือว่าขาดสติเรามีตาตั้งสองข้างก็ให้ดูให้ดี ห้าจิตมันมารวมมาอยู่ในตัวในกายวาจาจิตของเราแล้วสติก็อยู่ที่นี่หลักศีลห้าศีลแปดศีลสิบสองรอยยี่สิบเจ็ดก็อยู่ที่นี่แหละศีล ส, สมาธิปัญญาวิชาวีมุติจนถึงความหลดพุนพ้นในทางพุทธศาสนา ก็อยู่ที่กายวาจาจิตของคนเราทุกคนตลอดจนไปถึงขั้นสูงที่สุดที่เรียกว่าไปถึงนิพพานนิพพานก็อยู่ในใจคนเราทุกทุกคนแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติไม่ภาวนาไม่ละความลุ่มหลงมัวเมาในจิตใจให้หมดสิน้น แม้พระนิพพานมีอยู่ก็ไม่เห็นถ้าเลิกละอะไรต่อมิอะไรออกไปหมดแล้วเหลือแต่ดวงจิตของใสสะอาดก็จะเห็นแจ้งซึ่งนิพพานสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจหม้อไฟแดงอยู่ที่ปากหม้อทุกข์ยากมันอยู่ที่ที่ตีนที่มืออะไอย่างนั้น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 ยังไม่ตายก็ดิ้นลนวุ่นวายไปตามอำนาจกิเลสความโกรธความโลภความห ล, มลงถ้าถึงเวลาตายสมมุติว่าเราไปตายในป่าในที่ไม่มีคนอื่นเห็นร่างกายของเราก็จะทิ้งไว้ในป่าตายแล้วมันก็จะเปื่อยเน่าผุพังมแมลงวันก็จะมาไข่ใส่เป็นหนอนกิน กินน้ำเลือดน้ำเหลืองของเราหมดไปแล้วก็ยังเหลือกระดูกงานเข้ากระดูกก็กระจัดกระจายไปเปื่อยเน่าผุพังทับถมแผ่นดินไปเท่านั้นเองส่วนดวงจิตดวงใจผู้ โ, โลภผู้ภาวนาอยู่นี่มันก็ไปอีกทางหนึ่งเมื่อมันไปค้องอยู่ใน โรคเสียงกลิ่นรสผอดธภะธรมมาลมที่ไหนมันก็ไปหลงไปติดไปตามนั่นหละไปเกิดมาใหม่เกิดมาใหม่ก็ตายไปอีกวนเวียนอยู่อย่างนี้ในโลกนี้ถ้าเราภาวนาให้ดีดูให้ดีๆแล้วมันไม่น่ามาเกิดพอเกิดมาแล้วมันมีแต่เรื่องทุกข์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 ธาตุดินคือร่างกายคนราวธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมธาตุทั้งเศษดินน้ําไฟลมแต่ละอย่างละอย่างถ้าเราถามดูว่าธาตุดินนี่เป็นของเราไหมมันก็จะเฉยธาตุน้ำนี่เป็นของเราไหมมันก็จะเฉยอยู่มันไม่ว่าเป็นของใครมันมีเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นมา เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีความแก่ชราเจริญขึ้นเจริญขึ้นหมดขีดเราก็ชํำลดสุดซอมผลที่สุดก็เกิดแล้วก็ตายไปเป็นอยู่อย่างนี้จิตถ้ามันลุ่มหลงมัวเมาแล้วไม่รู้สึกตัวแหละคล้ายๆกับว่าคนเราที่มันมีความโกรธเกิดขึ้น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 ยาาอยู่ในตัวในกายวาจาจิตของเราในตัวในกายวาจาจิตของเรานี้ให้มีคุณพระพุทธเจ้าคําว่าพุทโธพุทโธนั้นพระพุทธเจ้ า, า, ท, ท, ท, ท, ท, จาท่านละกิเลสความโกรธละกิเลสความโลภละกิเลสความหลงให้หมดให้สิ้นไปจากใจของพระองค์แล้ว ล, ละวาชนะอาจินที่เคยเป็นมาอย่างไรพระองค์ก็เลิกได้หมดละได้หมดจิตใจพระองค์ก็ใสโยเหมือนแก้วเหมือนแก้วมณีโชตแก้วมันนีโชตเป็นแก้วที่เรกว่าใสใจมนุษย์คนเราตลอดถึงเทวดาอินพรหมถ้ามหัด ส, สมาธิภาวนา จากพระธรรมในคำสอนของพระพุท ธ, ธเจ้าแล้วใจมนุษย์คนเราและเทวดาจะเป็นจิตใจอันใสศรัทธานำมาซึ่งความเชื่อความเลื่อมใสในคนพระพุท ธ, ธเจ้าในคนพระธรรมในคนพระอริยสงสาวกแล้วจิตใจก็จะได้เย็นได้สบายยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ ก็รู้จากการทำบุญให้ทานรักษาสิ่งภาวณาประพฤติปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลถ้ากายของคนเราแตกดับไปแล้วใจนั่นแหละมันก็ไปเกิดในภพในชาติที่สูงขึ้นไปเป็นมนุษย์ก็ต่อเป็นเทวดาเป็นเทวดาก็เป็นพยาอินพยาผมขึ้นไปโดยลำดับ จนกระทั่งเป็นอะไรต่อมิอะไรก็มันกิเลสพาเป็นละกิเลสฆ่ากิเลสท้งความโกรธให้ตายไปฆ่ากิเลสความโลกให้ตายไปฆ่ากิเลสความหลงให้ตายไปคือไม่หลงไหลไปตามอำนานจะกิเลสเจดอันนั้นก็เรียกว่าแจ้งพระนิพพานนิพพานนั้นเมื่อแจ้งแล้วก็เป็นเอว่าไม่มืด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 พ่อแม่เลี้ยงดูรักษาจะเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาเมื่อยายหมดขีดแล้วก็ชำรุดสุดทอมแกช่ชรามีฟันหลุดออกมาผมขาวร่างกายทุกผลลพภาพผลที่สุดก็ไปโซวความแตกดับธรรมดาวนเวียนอยู่ในโลกอันนี้นับไม่ถ้วน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 เลยกิ ed, เลสเหล่านี้มันพาให้เกิดเกิดมาแล้วก็แกช่ชราแก่ชราแล้วก็ตายไปตายไปมันก็ตายไปแต่ธาตุดินน้ำไฟลมจิตมันไม่ตายมันก็กลับมาเกิดอีกมาลุ่มหลองมัวเมาอยู่อย่างเก่านี่แหละนั้นผู้ปฏิบัติทั้งหลายจงพาการฝึกฝนตัวเองให้อยู่ในกรรมฐาน นั่งกรรมาฐานขัดสมาธิเพชดในได้ทุกทุกเขินทำไมท่านจึงให้ฝึกทุกๆุกเขินเพื่อให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเวลามันเจ็บให้ได้ป่วยก็จะได้โลเท่าทันจะไม่ต้องไปร้องให้น้ำตาไหลธรรมดาร่างกายมันเกิดได้มันก็แตกได้ตายได้ เมื่อมันเกิดได้มันก็แก่ชราได้เมื่อมันเกิดได้มันก็ต้องมีทุกอย่างน่แหละนี่แหละลเราท่านทั้งหลายเมื่อพากันได้ยินได้ฟังแล้วโดยย่นยอ่อนี่แหละให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติประกอบกระทำให้ได้ทุกคืนทุกคืนไม่ให้ทอดทุละ ก็จะมีความสุขความเจริญมีความมุ่งมากปรารถนาสิ่งใดอยู่ในใจก็จะสำเร็จลุล่วงไปดังความมุ่งมากปรารถนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประการละชนิ